ข้อที่28ข้าแต่พระเจ้าทธิวาหานะมะม่วงของพระองค์มีต้นเสดาวแวดล้อมรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งเพราะการอยู่ร่วมกับของไม่อร่อยนั้นมะม่วงจึงมีผลขมต้นเสดาชื่อว่าปูจิมันทะในคาถานั้น กิ่งทั้งหลายของต้นเสดาชื่อว่าสาขาสองบทว่าสาขังนิเสวเรได้แก่ย่อมเกี่ยวพันกิ่งของมะม่วงบาทคถาว่าอาสาตสันนิวาเสนะความว่าเพราะการอยู่ร่วมกับต้นเสดาซึ่งไม่อร่อยบทว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุนั้นบทว่ากระตุก พะโล่คือกลับเป็นผลไม้มีรสขมพระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วรับสั่งให้ตัดเสดาและบรพิษเสียทั้งหมดแล้วให้ถอนรากให้ขนดินปุ๋ยที่มีรสไม่อร่อยโดยรอบออกเสียแล้วให้ใส่ดินปุ๋ยที่มีรสอร่อยให้รสมะม่วงด้วยน้ําผสมกับน้ํานมน้ําผสมน้ําตากลกรวดและน้ําหอมอีก แล้วส่งหม้อพระอุทยานให้คนเฝ้าพระอุทยานคนเก่านั่นแลอีกเพราะระคนกลับของมีรสอร่อยมะม่วงจึงได้มีรสอร่อยเหมือนเดิมอีกเรื่องมะม่วงในอัธกถาแห่งทะท่วาหณนชาดกในทุกกนิบาตจบ